ท่าฟังค่ะเรื่องของรายการสันนีสมนานนั้นนอกเหนือจากที่จะยืนพื้นของการให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะแล้วก็ฟังพระสูตรเต็มเต็มโดยท่านมาร์คหรือว่าพระมาร์คชาคาวโรแล้วเราก็มีช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะซึ่งในช่วงเทศการเข้าพรรษานี้ท่านเพรบูนคือพระพบูนอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศเนี่ย น, นะคะก็ได้มุ่ง ม, มั่นที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้รู้ ว่าพระพุทธองค์ตรัสเล่าถึงประวัติของพระพุทธองค์เองเอาไว้อย่างไรบ้างกับเรื่องของอริยสัจสีคือเป็นเรื่องใหญ่ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้สอนพวกเรามาถึงทุกวันนี้กันเลยตอนนี้เราก็มาพบกับท่านต่อเลยนะคะนรัส ก, การค่ะอ่าเฉยพารค่ะพุทธประวัติของท่าน ใ, นใกล้จะออกภรรษาแล้วทำท่าจะจบใคันนี้ตอนนี้ยังยู่ถึงตอนที่พระพุทธเจ้า ถูกกล่าวตูนะ่แก้ข้อกล่าวหาต่างๆว่ายังไงก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลังจากตรัสรู้แล้วละแล้วก็มาแสดงธรรมอะไรต่างๆก็มีคนนู้นมากล่าวหาให้กล่าวหาอย่างนู้นอย่างนี้น ะ, ะก็มีพวกปริภชัชชกอื่นก็มากล่าวหาว่าเอ้คนอื่นเขาก็สอนอย่างนี้เหมือนกั น, นเช่น เ, เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณทำไมทาไมพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนเหมือนคนอื่นเล ย, ยี้ใครลอกใครอย่างนี้ <c oughs> นะก็พอพระได้ยินข้อมูลนี้ก็เลยมาถามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็เลยมาสอบสอนให้พระบอกอย่างนี้ว่าถ้าเผื่อภิกษุรูปไหนได้ยินอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ก็ให้ถามเขาต่อไปนะเอาแค่เรื่องง่ายๆเรื่องกามหรือว่าเรื่อง <c oughs> รูปอย่างเงี้ยว่าอะไรเป็นรถอะไรของรูปนะอะไรเป็นโทษอันต่ำซา ม, ามอะไรเป็นอุบายเครื่องออกนะพวกนี้เนี่ยบุคคลเหล่านั้นเขาจะไม่รู้ <c oughs> นะคือถ้าถามในรายละเอยียดลึกซึ้งลงไปเนี่ยพวกนั้นจะตอบไม่ได้ ในถ้าเราพระพุทธเจ้าเคยพูดไปอีกสูตรหนึ่งนะถ้าเอาขับสิ่งที่เหมือนกันมาเทียบกันนะระหว่างตัวศาสนาระหว่างคําสอนใช่ไหมอย่างสมมุติตรงนี้เขาสอนเรื่องพระมิหารเ้าสอนเรื่องอิทิบาสิเอามาเทียบกันเลยนะว่าของใครดีของใครเนี่ยจะสามารถบ่งบอกได้นในคําสอนของสมณะสมุทธเจ้านี้ค่ะแล้วก็ยังพูดถึงความสุขนที่คนทั้งหลายจะเข้าใจว่าเอ้ยดับแล้วมันจะสุขยังไงว่างแล้วมันจะสุขยังไง จริงๆพวกนี้ไม่ใช่สุขแท้หรือมั่งสุขที่แท้จริงนี่ต้องอยู่ที่สิ่งสวยงามไว้อย่างงั้นค่ะนะแสดงว่าเป็นคนสอนให้เป็นแบบทิ้งอะไรทั้งหมดไม่เอาอะไรเลยอย่างนี้นะค่ะผู้เช่าก็เลยแก้ต่างสําหรับพวกที่ว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยมีทิฏฐิที่เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็จะไม่ทราบสิ่งที่พระองค์สอนอย่างนี้ค่ะแล้วก็ยังมีพวกที่ มาก่าวตวูสิ่งที่ผู้เช่าไม่ได้สอนว่าเป็นสิ่งที่ผู้เช่าสอนก็มีน ะ, ะอย่างพวกสัตว์ประเภทต่างๆ ท, ที่เป็นพรอมบ้างเป็นรูปประพรอมบ้างอย่างเงี้ยว่าผู้เช่าพูดอะไรมาไม่รู้สัตว์พวกนี้จริงๆไม่มีเป็นต้นอย่างนี้น ะ, ะก็มีแล้วก็มีมีครั้งหนึ่งที่หมอชีวกมรพัฒนะก็เคยมาถามว่าเอ๊ะทาไม พระสมณโคดมเนี่ยมากินเนื้ออยานี้นพรเจ้าก็เลยตอบข้อสงสัยนี้บอกว่าการรับประทานเนื้อเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเนื้อที่บริสุทธิ์นะคือไม่ใช่เนื้อที่ทําอุทิศเฉพาะเพื่อพระพุทธเจ้านะคือไม่ใช่เนื้อที่บอกว่าต้องเอ า, เอ า, เอาสัตว์ชื่อนี้ชื่อนี้จงมาตายอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างสมมติกรณีที่ถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งนั้นที่มันอาจจมาไปจานที่พระธ akan ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มีพัะธา k a n ที่เขามีตู้ปลาอยู่หน้าพาระธ akan <c oughs> แล้วถ้าอาตมาก็เห็นปลาอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะ <c oughs> อาตมาก็เดินเข้าไปในห้องไปในพัตาคาร์เขาเอาปลามาเสิร์ฟเนี่ยอาตมาจะมีความสงสัยว่าเอปลาตัวที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าถ <c oughs> อาตมาจะไม่กินออื <c oughs> จะกินไม่ได้ <c oughs> เพราะเนื้อนั้นเราจะเห็นว่าปลานั้นเนี่ยฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อเรา <c oughs> มันเป็นเนื้อที่ไม่บริสุทธิ์อย่างนี้เป็น <c oughs> ต้นนะพระเจ้าก็จะไม่รับประทานเนื้อประเภทนี้ลักษณะที่ว่าอได้ยิน ว่าเาขาค่าเพื่อเราเห็นว่าเาขาค่าเพื่อเราหรือสงสัยว่าเาขาค่าเฉพาะเจาะจงเพื่อเราก็จะไม่รับประทานค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็มีคนมากล่าวหาว่าเนี่ยมีมารยาในการแสดงธรรมนะัแสดงธรรมนี่ไม่ครบคนนี้แสดงนิดนึงคนนั้นแสดงมากไม่มีความเสมอภาคในเรื่องการแสดงธรรมลักษณะนี้ค่ะพระพุทก็เลยแก้ข้อกล่าวหาด้วยการตอบที่ว่าการแสดงคำของพระองค์เนี่ย ชัดเจนครบถ้วนทุกกระบวนความไม่ว่าจะแสดงกับใครนะก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าเลือกที่จะแสดงธรรมกับคนที่ฟังได้อ่าแล้วจะเข้าใจมากกว่าค่ะนะคือหมายความว่าโอกาสที่จะให้กับเขาในการที่จะฟังธรรมเนี่ยก็จะให้กับคนที่เข้าใจธรรมมากกว่าแต่ไม่ว่าจะแสดงกับใครนะก็ครบถ้วนกระบวนความถูกต้องเป๊ะอย่างนี้ค่ะอืมอ่าเราก็ยังเคยพูดถึง มีคนมากล่าวหาว่าเนี่ยเป็นคนมีมารยาเนี่ยนะก็เพราะว่าภิกษุบางรูปนี้ก็ไม่ใช่คนดีนะภิกษุบางรูปนี้ก็ยังผิดศีลทุศีลบ้างอะไรบ้างแสดงว่าศาสด า, สดานี่ไม่ดีแน่นอนคะ่ะก็เลยมากล่าวหาอย่างนี้พระเจ้าก็เลยอธิบายให้ทราบว่ายอย่างนี้อย่างเช่นบอกว่ามีกรรษัตริย์พวกหนึ่งนะพวกโกริยะเนี่ยกรรษ<ะ>ัตริย์พวกนี้เขาจะ เขาเรียว่าเลี้ยงกองกำลังไว้กองกำลังหนึ่งที่เป็นพวกที่เป็นนักฆ่านะเป็นนักฆ่าเป็นคนทุศีเหมา ง, งั้นเถอะแล้วก็เลยถามย้อนกลับพราหม์คนนั้นที่มาถามเนี่ยบอกว่ า, าถ้างั้นพวกนักฆ่าคนนี้ที่กษัตริย์โกลิยะเลี้ยงไว้เนี่ยก็เป็นคนทุศีนใช่ไหมนะถ้างั้นกษัตริย์โกลิยะก็ต้องเป็นคนทุศีนเป็นคนไม่ดีสินะแต่ซึ่งไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะกษัตริย์โกลิยะเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนมีศีลซึ่งก็เหมือนกันว่าคน ของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงพิกูจน์เนี่ยที่ยังฝึกได้ก็มีฝึกไม่ได้ก็มีนะแต่ว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์มากนันเถอะค่ะลักษณะนี้นี่คือเรื่องของพุทธประวัติในวันนี้ท่านภบูบุ์ค่ะเดี๋ยวฉันฟังแล้วนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคราวพุทธกาลก็สองพันจะ เท่าไรคะ 2,600 26 <ป>กว่าปีแล้วต้องบอก ว, กว่ากว่าแล้วเพราะว่าเอ๋อแต่ถ้านับตรัสรู้ก็กว่า<ช>แล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้า 2,600 นี่จากาจตรัสรู้จะถึงกันอยู่การกล่าวหามีมานานแล้วมีมีมานานแล้วแล้วก็เนี่ยกล่าวหาระดับาศาสดาเลยนะคะใช่ใชขนาดที่มีคนจํานวนมากมหาศารครึ่งโลกนับถือแต่ว่าก็ยังไม่วายถูกกล่าวหา คุณเชาเคยพูดถึงคนนั่งอยู่เฉยๆคุณโยมติว๋ว ค, <ะ S 1> คนนั่งอยู่เฉยๆยังถูกกล่าวหาได้ค <ะ S 1> นั่งเฉยๆทาอะไรไม่ยอมรู้จักทํางานเอา้าเป็นอย่างนี้ก็มีนะออุตส่าห์ไม่ทําอะไรแล้วเออนั่งเฉยๆยังถูกกล่าวหาได้อ <c oughs> ก็ไม่รู้จะทงไงนี่แหละอาตมาต้องการจะอธิบายประเด็นนี้นิดหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องของกรรมก็ไก่รอเรือมอมา้า <artic> นะคคือคือกรรมตรงเนี้แหมตรงเนี้อาจจะต้องใช้เวลา อ่าก็อธิบายวันอื่นไหมคะอ่าก็ได้เหมือนกันอันนี้ให้ตั้งข้อไว้ก่อนไม่ต้องติดตามและฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านไม่รู้ว่ามันเป็นกาบางไรในการที่จะถูกกล่าวหากันอยู่เนี่ยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ยังเป็นห่วงเวลาพิเศษที่ท่านเพบูร์ตั้งใจมอบให้ว่าจะเล่าพุทธประวัติกับเอริยศาสตร์เป็นเรื่องหลักพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เนี่ยเป็นอันว่าจบไปสําหรับวันนี้ ก็นิมนต์ท่านต่อเลยค่ะเรื่องอร<ก>ิยสัจสี่ค่พูดถึงอริยสัจสี่เรามาอยู่ที่ลักษณะของบุคคลผู้สิ้นตัณหาอยู่ตอนนี้ะนะบุคคลผู้สิ้นตัณหาหมายความว่าคนที่สามารถเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งละอยู่ในแนวทางที่จะสิ้นตัณหาซึ่ง เ, เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงพระเสขะกับพระเสกขะนะเสกขะเนี่ยหมายถึงผู้ที่กําลังศึกษาอยู่อสามระดับนะระดับแรกคือปุตุชนก่อน นี่คือคนไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเสขะเนี่ยคือเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาปฏิผลขึ้นไปแล้วใครถ้าใครเป็นได้บรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอานะเสขะในบริษัทเสขะคือตั้งแต่โซดาปฏิมร์จนถึงอาณาคาจนถึงอรหัตมร์เอาไว้นะตั้งแต่โซดาปฏิมากจนถึงอาาอรหัตมร์ใส่วนอรหัตผลนี่เป็นสําหรับพระอาเสขะซึ่ง ตรงนี้พระเจ้าเคยบอกแบ่งเรื่องของอมัจเอกเป็น3ส่วนคือศีลสมาธิปัญญาน ค, คนทําได้ศีลสมาธิปัญญาจะมีทําได้ทั้งที่เป็นบางส่วนแล้วก็พ อ, อ, พอประมาณแล้วก็บริบูรณ์แต่ถ้าใครทําได้อย่างพอประมาณใน3ส่วนคุณก็ยังเป็นปุตุชนอยู่เป็นอุบาสุบสิกาอยู่แต่ถ้าคุณทําศีลได้บริบูรณ์เต็มที่อลไศีลเต็มที่แต่สมาธิกับปัญญานี่พอประมาณ นะคุณคะจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโซดาบั mm. นะเป็นโซดาบันประเภทที่มาเกิดเจ็ชาติก็มีนาะเกิดหนึ่งถึงสองชาติก็มีหรือเกิดอย่างมากชาติเดียวก็มีนะหรือว่าถ้ามีราคะโทสะมโหาบางก็จะกลายเป็นพระเป็นสิ่งที่เรียกว่าอนาคามีนะเป็นผู้ที่จะเกิดอีกแค่หนึ่งสองครั้งในเทวดาหรือมนุษย์นะแล้วก็ถ้าทำศีลได้บริบูรณ์ ทำสมาธิได้บริบูรณนะ์แต่ปัญญานี่ยังพอประมาณเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นอนาคามีเป็นพระอนาคามีนะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าพระอนาคามีเนี่ยสามารถละสังโยชนะคือเครื่องร้ายรัดให้อยู่ในภพได้เนี่ยนะห้าอย่างซึ่งในอย่างนั้นคือเป็นพวกกามทั้งหมดน ะ, ะกามกับพวกราคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจิตเนี่ยเป็นสมาธิอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นสมาธินี้ต้องได้บริบูรณ์ แล้วถ้าใครทําปัญญาได้บริบูรณ์ด้วยก็เป็นอาศขาดเต็มที่เลยซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าเลยบัญญัติตรงนี้บอกว่าเนี่ยจะเห็นได้ว่าทำทำแท้แค่ไหนนะก็ได้ผลหมดทําทแค่ไหนก็ได้ผลหมดคือหมายความว่าการกระทำในในมรรคเนี่ยนะคือบางคนอาจจะบอกว่าอันนี้เป็นทางลัดอันนี้เป็นทางอ้อม แต่ต้องบอกว่ามีทางเดียวคือเรียมักมีองแพมีทางเดียวคุณทําได้มากคุณก็ได้มากคุณทําได้น้อยคุณก็ได้น้อยทุกอย่างได้หมดอย่างบางคนอาจจะตีเตียนเรื่องศีลเอ่อเรื่องเรื่องของทานอย่างเงี้ยโอ้ยให้ทานไปทําไมมันก็มันก็มีส่วนในการสร้างบุญของเราอะ่ะใช่ไหมอย่างพระอาหารหันที่ทั้งสองรูปเป็นพระอาหารหันเหมือนกันแต่พระอาหารหันองค์ที่ไม่ได้เคยให้ทานมาก็จะไม่มีปัจจัยสี่นะพระอาหารหันองค์ที่ให้ทานมาก็จะร่ารวยด้วยลาปัจจัยสีก็มี อนีเพรฉะนทานก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้อะไรเป็นทางอ้อมอะไรมันก็ไม่ใช่แต่ว่าทำเนี่ยมันได้ผลทุกอย่างามไม่ว่าจะทําอะไรอย่างนี้นะทีนี้เรื่องของอริยะบุคคลก็ยังมีต่ออีกว่าพระพุทธเจ้าได้แจกแจงถึงรายละเอียดในอย่างอนาคามีเนี่ยแบ่งเป็นอีกห้าอย่างอย่างนี้นะประเภทที่จะตรัสรู้ในชั้นพรมก็มีประเภทที่จะตรัสรู้ อย่างสมมุติว่าพระภิกษุบางรูปไปพาวในป่าบรรลุเป็นพระอนาคามีอย่างนี้ทีนี้บรรลุเป็นพระอนาคามีในในปัจจุบันเนี่ยนะท่านอาจจะเป็นพระอนาคามีแบบประเภทที่จะต้องไปเกิดในปรหมเป็นปรรมโลกหรือว่าท่านอาจจะเป็นพระอนาคามีประเภทที่ว่าก่อนตายนิดนึงท่านอาจจะเป็นพระอนาคามีประเภทที่ว่าก่อนตายนิดนึงจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือถ้าอาจจะเป็นพระอนาคามีประเภทที่ว่ากึ่งอายุไปกึ่งหนึ่งแล้วก็จะได้เป็นลูปเป็นพระอรหันต์ หรือว่าจะเป็นพระอนาคามีประเภทว่าต้องใช้ความเพียรมากถึงจะได้เป็นพระอารหันต์เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คือความเป็นอนาคามีเนี่ยมันก็เลื่อนขั้นได้เป็นอารหันต์ได้ <c oughs> ค่ะก็ะค่ะคือกําลังจะบอกว่าขอแภัยนะคะเท่าที่ท่านได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นลําดับขั้นของการจะก้าวหน้าไปสู่การหลุดพ้นคือกิเลสน้อยลงตามลําดับจากโสดาบัน ก็น้อยที่สุดในบรรดาอริยบุคคลทั้งสี่ดองลงมาสกิทาคาตอนนี้ท่านกำลังว่าถึงขั้นที่สามและเกือบจะถึงขั้นสุดท้ายละได้หมดแล้วถูกไหมคะในาคานี่เป็นขั้นที่สามขั้นที่สามค่ะสุดท้ายเรียกอรหันต์ใช่ค่ะแล้วก็บุคคลที่ละปัญหาได้นี่นะก็จะมีความรู้ในเรื่องของขันธ์ทั้ง5้าอย่างถูกต้องค่ะนะว่าขันธ์ทั้งห้านี่ไม่ใช่ของเรา นะีไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนะี่ยไม่มีความยึดถือหรือว่าก่อขึ้นให้เกิดในขันต่างห้าอีกคือบางคนจะเข้าไปยึดถือขันท่าด้วยความเป็นตัวตนแต่ว่าท่านเหล่านี้จะไม่มีค่ะท่านคะอมสมมุตินะคะมีสตางค์มากเลยดิฉันนี่รวยอู้ฟู้จะต้องเดินทางไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกเพื่อไปหาอาหารอร่อยอร่อยรับประทานอืมอันนี้เท่ากับดิฉันกําลัง ต่อระบนอยู่กับขันอะไรหรือเปล่าคะที่ท่านว่าเนี่ยคะเอ่อก็เรื่องของรูปไงเรื่องของอาหารก็เป็นรูปใช่ไหมก็คือเสพกามเลยแหละเสพกามคือความอร่อยเพลิดเพลินยินดีพอใจในลิ้นในสมัยก่อนที่จะมาอยู่สิงคโปร์อย่างเงี้ยนะตื่นเนะช้ามาเนี่ยเราจะแช็บเจปากว่าที่วันนี้จะกินอะไรดีหลับตานึกถึงอาหารอะไรออกมาอย่างแรกเนี่ยเราพุ่งไปกนินนั้นเลยคเคยมีครั้งหนึ่ง นึกถึงไอ้กระดูกหมูต้มน้ําชาเงี้ยเขาเรียกบัคกูเตะอย่เงี้ยเราต้องขับรถไปกินถึงมาเลเซียเพื่อที่จะกินไอ้กระดูกหมูต้มสักชามสองจามอย่างเงี้ยนะมันเป็นธาตุของปากขนาดนี้ท่านพูดมานี่ดิฉันก็รู้สึกแหมอยากจะไปเหมือนกันนะคะตอนเนี้ยลองคิดดูว่าทุกวันนี้เป็นยังไงตื่นเช้ามาไปบินตาบาดได้อะไรก็กินมันอันนั้นมันสบายมากนะคุณโยมถึงมันเบามันไม่ต้องมีภาระนะแล้วก็สบายใจ เปนคนเรื่องกันเลยอืะทีนี้ก็เขายังไม่ได้บวชพระกันนี่คะท่า น, นมันจะเป็นพิษโทษภัยอย่างไรเหรคะแล้วควรจะต้องแก้ไขหรือเปล่ า, อ, าอยา<ง>่างไรค ะ, คะนี่ไงคือโทษของกรรมไงเราต้องแสวงหาใ น, นในการแสวงหาอันนั้นมันจะมีหลุกหลุม ก, กับดักอยู่เยอะแยะเช่นต้องดา่าต้องว่าต้องผิดศีลต้องขวนขวายมากลักษณะนี้ซึ่งคิดว่าไอ้ประเด็นเรื่องการมนี้จะอธิบายให้ฟังได้ในครั้งต่อไปอยู่คคือไม่ได้ห้ามแต่ว่า มาพูดถึงอิงประเด็นธรรมะกันเหตุผลเป็นเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยก็เพิ่งอ่านข่าวมาค่ะท่านคะ uh huh. ก็บอกว่ามันมีอาหาร uh huh. ญี่ปุ่นประเภทเข้าวปั้นนะคะ uh huh. เขาเรียกอะไรนะคะซูชิอย่างเงี้ย น, นะคะ uh huh. คํำละเป็นล้านบาทใช่นะ uh huh. แล้วก็เมื่อไม่นานเนี้มีโอกาสเอาเนื้อไอ้ที่มันจะทําให้ถึงล้านบาทต่อคําเนี่ย น, นะคะ uh huh. มาให้คนไทยชิมกันด้วยมันปลาเขาชื่อปลาบล uh ูฟินทูน่าอืน้ําหนัก ตัวละประมาณสี่ร้ยกรัมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาทอืืออะไรก็ไม่รู้เนาะก็อยากชิมเหมือนกันเพียงแต่ว่าในเมื่อไม่สามารถจะชิมเนี่ยก็อยากจะหาอะไรมาหักห้ามใจเอาธรรมะมาห้ามใจนี่ไงความอยากจะทําให้เราหิวทันทีถึงแม้ว่าตอนนี้เท้าจะอิ่มอยู่น ะ, ะก็จะหิว่น้ําลายมันจะไหลเลยเพราะว่าความอยากนี่แหละคือโทษของตัญหาโทษของราคาซึ่งคิดว่าจะมาต่อในวันพรุ่ง น, นี้ได้ถ้าอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้น อ๋อ<ช>ค่ะงั้นก็น้มัสมการขอบพระคุณท่านเลยก็แล้กัน<ด>นะคะค่ะท่านฟังค่ะและนั่นก็คือพระภัยบุญอภิปุญโนนะคะจากวัดป่าดอนหายโศจุมาลุดอนธานีกับช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะภาคพิเศษที่ว่าใส่เนื้อหาเต็มๆเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติจากพระโอษฐและอริยสัจ4ี่ค่ะ ส่วนรายการของเราขอพูดปิดท้ายนิดว่าขอพระคุณอย่างยิ่งนะคะท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสร่วมในการที่ดิ๋ฉันได้รวบรวมข้าวของกับทางสมาคมประเวศสงเคราะห์เอาเข้าสารไปมอบให้กับท่านจตชัยนาถตำบลคุ้งสําเภาที่กําลังจมน้ํากันอยู่เดือดร้อนแสนสาหัสเป็นวงกว้างทีเดียวค่ะนะคะส่วนรายการของเราพอพ้นเทศ ก, กาลเข้ า, ขาพรรษาปุ๊บ ก, การตอบคาถามที่ท่านประบุลบอกว่าจะเปิดโอกาสให้เป็นปกตินะคะ ถึงอะไรก็ตามในช่วงนี้ก็ยังถามมาได้แล้วก็ในเรื่องของการแจกหนังสือนั้นให้ท่านได้มีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเป็นถ้อยคําที่เป็นระบบระเบียบที่เรียกว่าพุทธวจนะท่านก็ขอกันมานะคะ02 269 0006เป็นอภินันทนาการจากท่านอาจารย์ครือฤตวัฒนาป่าพง์ที่จะทอดกระินกันในวันที่16ตุลาคมช่วงเช้าเลยนะคะกับถ้าเป็นของวัดท่านเพบูลต้องไปนู่นคะ่ะอุดอร วัทนที่23ตุลาคมส่วนท่านที่สนใจไปไม่ได้จะทำบุญอย่างไรดิฉันฝากทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่จะช่วยอำนวยความสะดวกท่านเอาไว้ที่02 269 0006ติดต่อกันเลยนะคะวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ